ไปเช่นเดียวกับมดว่าเราอาจจะพิจารณาว่ า, าหัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมาเนี่นยแหละ้งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิต ด, ด้วยใจกันจริง ในตอนแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียบเรานนั้นน้อมนึกเป็นแนวแนวทางเอาไว้ก่อนในเมื่อท่านพิจารณาลงไปพอแน่ใจว่าพอเกิดได้ความเชื่อในใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงเกตของท่านจะไม่เชื่อก็ตามว่าท่านก็เคยรู้เคยเห็นมาแล้วมันเป็นของง่ายพอหลังจากนั้นท่านอาจจะกําหนดบริกรรมภาวนาอันใดอันหนึ่งลงไปเช่นพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้น เมื่อจิตของท่านสงบลงไปแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งที่ท่านพิจารณานั้นเป็นนิมิตขึ้นมาภายในจิตในใจอาตมาว่าเป็นการง่ายที่สุดสำหรับการเจริญอสุขกรรมาฐานของบรรดาในแพทยทั้งหลายที่เคยเรียนมาแล้วทีนี้ใ น, นเมื่อท่านพิจรารณาเรื่องอวัยวะต่างๆซึ่งมีภายในกายที่ท่านเรียนผ่านมาแล้วนี่ จนกระทั่งจิตของท่านสามารถรู้สึกเห็นจริงลงไปจนจิตสงบลงไปแล้วเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้สึกภายในจิตอยู่ในลักษณะท่าทีที่สงบนิ่งเป็นสมาธิในท่านต้นนี้ในเมื่อท่านเกิดนิมิตความรู้เห็นขึ้นมาอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ามองเห็นด้วยตาแล้วก็รู้ด้วยใจ นี่็นนิมิตเบื้องต้นที่จะพึงเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตสงบระเอียดลงไปกันจริงๆแล้วจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าจิตของท่านยังเหลือใจจิตล้วนๆร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกแต่การมองเห็นนิมิตนั้นจะรู้สึกว่าเห็นด้วยใจล้วนๆโดยไม่มีประสาททางกายเจือผลแม้แต่ประการใด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 จะได้ขอนาเรื่องส่วนตัวมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในสมัยเมื่ออายุยี่สิบสองปีอาธรมะป่วยเป็นวันโรคในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอยาที่จะรักษาโลกวันโรคนี่ยังไม่มียังไม่มีใครรับรองว่ารักษาวันโรคหายทีนี้พอดีท่านอาจารย์ฟันท่านมาจาพรรษาด้วย อยู่ที่วัดบุรภาเมืองอุบนท่านก็มาแนะนำให้พิจารณาอาการสามสิบสองคือปมขนและปันหลังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละ <c oughs> ที่แรกก็ใช้ความคิดพิจารณาตามที่เราจำได้โดยเริ่มต้นว่าอายังโขเมกาอยู่กายของเรานี่แหละปุดทางปาทัศลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อโทเกสัมัถกาเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปตาจ่าปาริยนันตตมีหนังพุ่มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลโนานัปการกาสัสจีโนโเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาธิิมัตมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาือผมทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ผมโลมาคือขนทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ขน หน้าขาคือเล็บทั้งหลายนา ham, ้อมจิตนึกไปที่เล็บดันตาคือฟันทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่วันตาโจคือหนังน้อมจิตนึกไปที่หนังมังสังคือเนื้อน้อมจิตนึกไปที่เนื้อหน้าหารู้คือเอ็นทั้งหลายน้อมจิตไปที่เอ็นอธีคือกระดูกทั้งหลายน้อมจิตไปที่กระดูก อธิมินชังคือเยื่อในกระดูกน้อมจิตไปที่เยื่อในกระดูกวัากตังมามน้อมจิตไปที่มามหาัตทะยังหัวใจน้อมจิตไปที่หัวใจป่าพาสังปอดน้อมจิตไปที่ปอดพระโอปาทานเคยยึดถือว่าวั น, นโลกเป็นอยู่ที่ปอดพอน้อมไปที่ปอดจิตมันก็จดจ้องอยู่ที่ปอดมันไม่ยอมไปไหน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 แล้วก็มองเห็นปอดด้วยอาคล้ายๆกับมองเห็นด้วยสายตาอะไรรู ด, ด้วยใจในเมื่อจิตแข้งอยู่ที่ปอดโดยไม่ลดละเจตก็ค่อยสงบประเอียดลงไปสงบประเอียดลงไปเมื่อจิตสงบประเอียดลงไปจริงๆแล้วปรากฏว่าร่างกายของตัวเองไปนอนแตะอยู่กับพื้น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 แล้วก็มาต่อเป็นโครงสร้างมีโครงกระดูกครบถ้วนเนื้อหนังก็ค่อยงอกขึ้นมาตามที่ต่อของกระดูกจนกระทั่งล่างปลากฏดว่ามีร่างกายสมบูรณ์ตามเดิมแล้วก็มีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ผนแต่จำได้เพียงแค่สามสามสามสามครั้งเท่านั้นความเป็นอั น, นี้เริ่มเป็นอยู่ตั้งแต่ตีสาม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 ลงมาประทะกับรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่ามาปะทะกับหน้าอกแผ่วๆแล้วความรู้สึกก็ค่อยรู้สึกทางกายขึ้นมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะแรกนั้นคล้ายๆกับถูกฉีดยา เ, เข้าเส้นอย่างแรงมีอาการวิ่งสู้ไปจนทั่วกายทีนี้ธรรมาก็กาหนดดูว่า เรานอนอยู่ในท่าไหนหันศีรษะไปทางใดมือเท้าวางไว้อย่างไรกำหนดจิตอย่างไรจรึงเป็นอย่างนี้พอรู้สึกตัวอย่างเต็มที่แล้วจนหายสงสัยแล้วว่าเราตื่นรู้สึกตัวเต็มที่แล้วความสงสัยเนะี่มันก็ยังมีอยู่นึกสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เราตายจริงหรือเปล่าเลยต้องยกมือขึ้นมาคลำดูเน่าพ้อแน่ใจว่ายังไม่ตายลืมตาขึ้นก็ ดูนาฬิกาก็สองโวงเช้าพอดีทีนี้ใน <c oughs> พอเหตุการณ์อย่างนี้ผ่านไปวันนรคที่เป็นอยู่นั่นแหละอาเจียนเป็นโลหิตออกมาแล้วก็เป็นน้ำหนองออกมาอย่างเหม็นเนา่าแล้วก็ค่อยๆจางหายไปทีละน้อยๆในที่สุดเลือดหายขาดห น, นองที่เคยออกก็หายร่างกายก็ค่อยดีขึ้นนจนกระทั่งหายมาจนกระทั่งบัดนี้ อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าการบําเพ็ญกรรมฐานเนี่ยเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยพิจารณาผมขนเล็ปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มีทางพอที่จะช่วยรักษาโครคภัยไข้เจ็บได้ไหมในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นเป็นในแพทย์ที่เรียนผ่านมาแล้วแต่อาตมาภาพในยืนยันรับรองได้ว่า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 อันนี้ที่นำมาเล่านี่ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้พิจรารณาว่าการบำเพ็ญสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสามารถที่จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้บ้างไหมอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายพิจรารณาและอีกอย่างหนึ่งมีท่านอาจารย์องค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งเหมือนกัน ท่นานอาจารย์เขมปัตโตท่านอยู่ที่จังหวัดหนองทายมีพระโรคหนึ่งเจ็บปวดในท้องไม่หายสักทีรักษาอย่างไงก็ไม่หายอยู่มาวันหนึ่งท่านก็จับพระองค์นั้นมานั่งข้างหน้าทัดไหนมาดูดิจะตรวจโรคให้ทําไมมันถึงไม่หายสักทีเสร็จแล้วท่านก็นั่งแเพ่งดูร่างของพระองค์นั้นอีกสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่ามันจะไม่เจ็บไม่ปวดได้อย่างไร คนกินเบ็ดเข้าไปตั้งคันมันเกาะโยที่มันเก อ, อะโยที่ผนังกับเพาะไปให้หมอเอาออกให้เสร็จแล้วมันก็จะหายพระองค์นั้นก็เข้าโรงพยาบาลหมอใช้สเตลยพาเอาเบ็ดออกแล้วโรคมันก็หายอันนี้ ก, การทําสมาธินี่สามารถที่จะตรวจโรคได้คนหมอซึ่งเป็นโรคศิษย์ธรรมาภาพอยู่ที่นครราชสีมาก็เคยเล่าให้ฟัง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 ดนการใช้พลังจิตรหรือพลังแห่งสมาธินั้นอาตมาภาพก็เคยทดลองดูท่านอาจารย์ฟั้นท่านว่าการพิจารณาอาการสามสิบสองนี่ยเป็นการเพ่งกสินการเพ่งกสินภายในคือเพ่งมผมฝนและปันหนังเนือเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นฐานที่สร้างพลังทางจิตคือทําให้สติด้านกลายเป็นมหาสติขึ้นมา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 สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจถ้าเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธถ้ามีความตั้งใจอยู่ว่าเมื่อไรจิตจะสงบท่านจะไม่พบกับความสงบท่านต้องบริกรรมภาวนาจนลืมไปเลืมเมนึกถึงผลที่จะพึนเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านจึงจะสงบลงได้ที่ได้วิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมดความคิด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 เพราะฉะนั้นในธรรมจากกับปวัตตะสูตรท่านจึงกล่าวว่ายังกินกิสมุทายะธรมมังสพันธังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทําไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกนั่นเองความรู้ที่อยู่ได้ขั้นแห่งโลกีมีภาษาสมมติบัญญัติเตี้ยได้ ความรู้ทีออ่อยู่ในขั้นแห่งโลกรุตละมะีไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยรับสั่งถามอัตมาภาพว่าธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะรู้จากชื่อแห่งธรรมะนั้นได้ จะถือว่าเป็นการใช้ได้ไหมท่านรับสั่งถามอย่างนี้อาตมาก็ถวายพระพรท่า น, นว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิษพระราชสมภารเจ้าโดยธรรมชาติของสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติตามความเป็นจริงย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้นเราไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้คือธรรมชาติของสัจธรรมที่ปรากฏขึ้น พระมหาบอพิษจะทรงต้องการหลักฐานไหมพระองค์ก็รับสั่งว่าถ้ามีก็ดีอาตมาก็เลยยกเอาอยางกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติในท้ายแห่งธรรมจักกัปปวัต น, นสูตรที่ท่านัญญาโกรธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา แล้วสมเด็จโตสมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านอัญญาโกนทัญญาเป็นประสูดาปันได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือธรรมะที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในบางส่วนของผู้ปฏิบัติธรรมในสายสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอาจจะมานำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังโดยย่นยอ่อเข้าใจว่าพอที่จะเป็นกติเตือนใจ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 าหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยพิจารณาด้วยอขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> อาตะะมาจะตั้งปัญหาถามตัวเองแต่ตอบตัวเองปัญหาที่น่าสงสัยก็ไม่อยู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระอระหันต์เมื่อนิพพานไปแล้วกระดูกจึงกลายเป็นธาตุ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 นักปฏิบัติท่านเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นฐานที่สร้างสติให้เป็นมหาสติเิ่งจิตมีความละเอียดลงไปเท่าไหร่ความสว่างสวัยปรากฏขึ้นในกายอย่างอย่างน่าอัศจรรย์ <c oughs> มองไปที่ไหนที่ไหนก็กายเป็นแก้วไปหมดทีนี้ถ้าหากว่าท่านโพ้นั้นมีจิตบริสุทธิ์สะอาดเป็นลกพระอรหันต์เมื่อไหร่ในเมื่อท่านนิพพานไปแล้ว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 ทีนี้ตัวอย่างที่เปรียบเทียบ ก, ก็คือว่าเ <c oughs> ช่นอย่างหมอเรียนวิชาไสยศาสตร์เขามีมนต์ต่อกระดูกเช่นอย่างกระดูกักเนี่ยเขาเรียนแต่เพียงคาถาอาคมแล้วก็เป่าลงไปเท่านั้นสามารถต่อกระดูกได้ก็ไยศาสตร์นี่เขาไม่ได้อาศัยสมาธิอย่งางละเอียดเหมือนการปฏิบัติสมถะวิปัสนา เพียงแค่น้อมใจเชื่อคาถาอาคมที่เขาเรียนมาเท่านั้นแล้วในเมื่อเขาเป่าลงไปแล้วมันก็สามารถทำให้กระดูกต่อกันได้ <c oughs> ต่อไปนี้เป็นการตอบปัญหา <c oughs> ปัญหามีว่า <c oughs> ทำไมทุกวันนี้ชาวพุทธจึงพากันห่างเหนิน จากข้อปฏิบัติทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันไม่รู้จักจบจักสิน้นปัญหาข้อนี้ <c oughs> เป็นปัญหาทีท่ทุกทุกท่านจะต้องช่วยกันพิจารณาแก้ไขคำตอบว่าทำไมจึงพากันเกิดทุกข์เดือดร้อนมากขึ้นทุกทีทุกทีอันนี้คำตอบนีตอบยาก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 ปฏิบัติเพื่อให้เรายึดรู้ของจริงซึ่งเราประสบอยู่ทุกวินาทีอาตมาเคยแทศอยู่ที่เมืองโคราชธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงทุกคนควรจะศึกษาให้รู้ของจริงเริ่มต้นด้วยความจริงของความเป็นบิดามารดาความจริงของความเป็นบุตร ธ, ธิ่ดาความจริงของความเป็นสามีภรรยา